ได้ข่าวว่าหลวงพ่อจะส่งพระมาป่านนี้ยังไม่มีมาสักตัวบอกงั้นแหละเกานีแหละพรุ่งนี้เอาใส่รถกระทอมหมูไปส่งแน่นอนต้องจับเบอร์เดี๋ยวแม่ชีทำเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่พระมีกี่องค์ทั้งหมดเรามาตกลงเงนก่อนถ้าใครโดนทหารเกณฑ์ก็จำเป็นต้องไป ใครจะไม่ไปยกมืออ่ะแสดงว่าไปหมดใครโดนเป็นนั้นว่าไปถ้าลุงพ่อโดนลุงพ่อก็ไปเหมือนกันมึงอยู่นี่ก็อดแดกกินหมากันแหละมึงหมดแหละเราเอาความยุติธรรมดีไหมลูกเนาะสงสารพี่น้องเราลูกพี่น้องเราอุตส่าห์ไปไปแทนลุงพ่อลูก ไม่งั้นมึงก็กูกวันนี้ไม่ได้เจอกันตั้งแต่วันแห่เทียนแล้วพอาลุงพ่อจะต้องไปแต่ครั้นี้พรกการ น, นั่นเสียสละพวกเราเข้าใจไหมลูกเขาเสียสละแล้วเราก็ไปอยู่แค่กี่เดือนสามเดือนเท่านั้นเองลูกพอรับกรถินเสร็จปุ๊บเราก็กลับเราจะทัวกรถินที่พิจิตรห้าวัดลูก ปีนี้ถ้าใครเสือกสึกก่อนก็ช่วยไม่ได้ถ้าใครยังไม่ศึกก็ได้อานอิสงส์ถึงห้าวัดหวัดเจดวัด8วัดกระสิน8วัดปีนี้หัวหินสามมีวัดอิติสุกโตหนึ่งวัดใหญ่ใครคีรีเขาเป็นวัดกระทอ r กระสินแล้วแล้วก็วัดพระเจียพนก สองสามวัดใช่ไหมแล้วที่พิจิตอีกห้าวัดห้ากับสามเป็นเท่าไรสิบเอด็ดพ่อมึงก็สิบเอด็ด <c oughs> แม่พระกูฉลาดมากบอกสิบเอ็ดวัดถ้าสิบเอ็ดวัดถ้ากูได้ต่ำกว่าสิบล้านกูมรณะภาพแน่ <c oughs> ตกลงตามนี้ไหม รวมทั้งวัดป่าด้วยวัดใหญ่วัดอิติด้วยดีั้มก็ต้องเสี่ยงนะเว้นลุงพ่อป่ะลูกลุงพ่อก็ต้องจับด้วยอใครเว้นลุงพ่อยกมือโอ้โหรีบเอามือลงเลยแสดงว่ามันจะเอากูไว้ใช้ยันตายจริงนะมเมชีสมี้นตาสมียนเอาไงพระเอานับห น, หนเอ้ยสองใไห ไอ้ไอ้ไอ้หากวาดนี่มึงเรียนมาเปล่าวะเนี่ยกูนับหนึ่งมึงอยากเป็นเจ้าวาดไงอ่ะองค์แรกนับ<ะ>เดี๋ยวก่อนมึงหนึ่งสิหนึ่งอะหนึ่ ง, ห, ง, งห้า สีบสามฟีีไอ้เป็กนะแกแล้วยังแงะมามอ ง, มองอกูอีกเอาเอาเท่าไหร่กันแ น, น่นับไปแล้วร้อยแปดสิบเอาไงเท่าไหร่ สี่สิบเจ็ดรูปวะข้างล่างมีเวนอีกเอาไงดีวะจับพรุ่งนี้หรือจับคืนนี้เลยะคืนนี้เลยถ้าสี่เบอร์ไม่เจอไอ้ข้างล่างต้องเจอเนอะดีไหมเออเอาตามดีไหมลูก ถ้าใครโดนต้องไปนะจะมาอ้อแอแบบว่าอ้าเมียผมอ้าแม่อ้ า, อายาไม่ได้นะจับปุ๊บสายทาตทหารเกียมชิวอนไว้เลยคืนนี้พรุ่งนี้เช้าใส่รถหมูกระทอไปเลยเออ <c oughs> กูจะต้องแห่เทียนเข้าพรรษามึงก็แห่หมูไปลงวัดลำชะลาเอาตามดีปะ เอาไหมาแมชีทำ47เบอร์เดี๋ยวนี้เขียนหมายเลข1ถึง4ใครจับได้เลข1 2 3 4แสดงว่าเตือนท่านจะประคุณขึ้นรถหมูไปรบวัดราชรา3เดือนหลังจากนั้นจะกลับไม่กลับว่าอีกทีจะแหกหรือไม่แหกวันศาก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง ได้ข่าววัดลำชะล่านางตะเคียนกำลังท้องด้วยเพราะว่างัน้นหาหมอตำแยไม่ไดเ้เพราะว่าอยู่ดีๆฝาโบสถเปิดโอ้ยโอ้ยเงเดี๋ยวมึงไปก็บอกว่าหมอตำแยมาแล้วสี่คนมึงอะ่ะสี่องค์ห้าองค์พี่น้องมึงห้าองค์ ทำตะเคียนคลอดไม่ได้เจ้าวาดอิติไม่ไปเด็ดขาดแล้วก็รู้ว่าใครจะคลอดนะพระไม่คลอดนางตะเคียนก็คลอดเขาออกช่องสามช่องเจนะ็ดว่าโบสวัดนี้เนี่ยมีรูปนางตะเคียนท้องอยู่หวยแดกกันโอ้โหทั้งบ้านทั้งเมืองหวยแดกกันถ้าเมึงไปได้เลขดีๆก็ส่งข่าวมาทั้งวัดนี้บ้าง จะได้แดกวัดนี้มั่งได้ยังไม่ชีเอามึงช่วยกันดิหลายองค์ดิไม่ชีฝนก็ใช้น้ำลายแตะแล้วอะ <S <S ่ะมึงช่วยกันปั่นป4่อี่บเจดอีคนนับอีคนฉีกอีกคนเขียนเบอร์อยายไม่ต้องไปขี้อ้าวยายขี้ดูเขาไม่เอาชีไปหรอกหรือมึงจะไปคลอดนังแ ท, แทนแม่ตะเคียน เอาชีไปด้วยดีไหมะอะลุงพี่เอาชีไปด้วยไหลุงพี่เสริมฮะนั่นแน่กูว่าแล้วบอกเอาชีไปด้วยเลียปากแพรบเลยเอ้ยลุงพ่อเสริมนี่ยังไงซะแล้ว <c oughs> ทั้งวัดเียวกูกลัว ล, วลุงพ่อเสริมองเดียวอะ เอาชีไปด้วยครับแลบลินแพรบเลยเดี๋ยวก็เอาอายุ80ขึ้นไปเบชีอายุ80ขึ้นรับสมัคร4องค์เหมือนกันจะมีหลวงพ่อเสริมนำไป <c oughs> เบชีใครจะสมัครไปไหม4องค์มีไหมเงียบเบชีก็ไม่กล้าจะไปเว้ พระที่แรกหน้าใสนวนเลยตอนนี้หน้าซีด <c oughs> ปากละห้อยตาละห้อยเมียท้องแก่ก็ต้องไปเพราะลำชรานางตะเกียนก็ใกล้คลอดเหมือนกัน ต, ต้องไป <c oughs> เอาแล้วยมเวียนเทียนแล้วไม่ลงข้างล่างเหรอยมจ ะ, ออะรอไหลป้าจะนั่งสมาธิใช่ไหมรอนั่งหรือว่ายัางไงดี พระเขาจะจับไปดำไปแดงนะหรือรอลุ้นอ่โยมรอลุ้นอโยมรอลุ้นไม่รู้ใครโดนเป็นไปแหละตกตามตกลงตามลูกผู้ชายลูกผู้ชายชื่อพระไม่ใช่ไอแผ่นน ะ, ะเน้นไม่ต้องหัวเลาะเน้นด้วยเนนสาม อ, องค์นี่ไปหมดไหมไปไหมเน้นไปไหมฮะ ไปนะไม่ไปโอ้ไอเนนมึงต้องเรียกไอเทนละไอเทนเลี้ยงควายนะไม่กล้าไปนะเกิดพมอดโดนไปไหมไ <ป S 1> เออนี่ลูกผู้ชายชื่อพมอดไปครับทำไมทำไมดูปากแบะๆกันวะเอาใครจะเป็นรายแรกเอามึงเลยใกล้กูนี่แหละ เอาแล้วขี่ต่อหน้าเลย1น้าววางหลอดไปหนึ่งมาตัดถิมมึงนับหนึ่งเหมือนกูกูว่ามึงวางหลอดไปสองเอามึงจับทหารวางเอาวางมาคืนกูเดี๋ยวมึงแกล้งหลอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไอ้พื่นี้เดี๋ยวเอ๊ะทำไมมันว่างทุกเบอร์เลยแค่นั้นตะเต็มมาซุกใต้แก้วเอามานี่ดูมึงเอามีมีมึง ม, ม, มาตรวจองค์หนึ่งอ่ะมึงให้จับเดินให้จับออนนี้ว่างนะใบดํอ่า <c oughs> อ้าวเจ้าวาดไม่ต้องจับที่พเรเจ้าไม่ต้องจับหรือเดี๋ยวโดนมึงต้องไปนะส่งตัวแทนนะ่ะแมเจ้าวาดวัดใหญ่บอกผมด้วยไหมครับ อาทุกองว่าว่างบล่ า, าอ้าวอุดว่างอ้าวแล้วมึงเอ้ยไก่เข้าไปหมดว่างเข้าไปว่าง้าไมเจอลุงตาทั้งนั้นแล้วก็ว่าต า, าลุงตาสุดว่างอ้าวอาละมันว่างหมดไอ้พวกน้นหน้าเซตขึ้นหน้าเซตขึ้นอ <c oughs> <c oughs> ันนี้ยุติธรรมที่สุดแล้ ว, วลุ้งตาอ่อยว่างอีกแล้ว เอาแล้วเหลือลุงพ่อเสริมมึงปากละห้อยแล้วมึงไม่มีเอ้โหวางอีกแล้วไอ้หิมเอ้ยกูสงสารมึงจริงๆไอ้หิม <c oughs> ไอ้พวกขี้เกียจมันน่าโดนนะออนะ <c oughs> โอโหวางหมดละมั้งยังไม่ออกสักเบอร์เลย เอาแล้วไก่เข้าไปโดนดมยาดมแล้วอีกองดมยาดมแล้วฮะพระบูญว่า ง, <c oughs> างเอาโอ้โหหมดแน่างานนี้มึงเห้สิงว่า ง, <c oughs> ง, างเอาละมึงปัะชัย <c oughs> กูว่าโดนว่ะว่า ง, า ง, งโอ้โหไอแถบนี้มึง ว่าเก่งว่ะมีลุ้นเว้ยว่าอามเบอร์อะไรอ้าวว่าอามไม่รอดกระติ่งว่างอะไอ้ที่ศึกมึงนี่เช้ามึงจะไปจับทำไมอ่ะถ้าโดนโดนเบอร์เข้ามามึงต้องไปน่ะสึกไม่ได้นะ ดีว่าลูกพี่มาแจ้งซะก่อนเบอร์อัฐเทพวางเอาละเว้ยนี่ไอโออยากไม่ไปดีนักรอเบอร์สองแล้วกูว่าเออวางเอาละหลงตาสององค์เนี่ยกูว่าพระการนี่ลูกศิษย์พระการแน่กูว่าอ้าวลอดไปหนึ่งองค์ อีนี้เก้าบห้าเอาแแล้วก็บอกหลวงพ่อผมตาไม่ดีพอกะดานมาบอกว่างวางกันเลยเชื่อโอ้เอาว่างเอาละเว้ยไอ้มอดหน้าเหี่ยวลงเหี่ยวลงลูกเมียไม่เกี่ยวว่าง <c oughs> ไอ้นีเป่าปากพูดเลย อันนั้นมีการแหกแหกไม่ได้นะพอมอดเอาเปิดมึงไอ้ไมอดโอ้โหไอ้พมอดรอดเว้ยเอาละมึงเหลือว่างน้อยลงน้อยลงแล้วอะว่างอ๋อพอบอกเบอร์สิ ลอ้ๆลอยๆใบแดงล้นใบแดงวางตลอดเลยแสดงว่ข้างบนโชคดีเ <c oughs> บอร์สอง <c oughs> <c oughs> โอ้โบเอาลุกมาทีลุกมาตรงนี้ก่อนโชว์ตัวโชว์ตั ว, อตว <c oughs> เอออ่าเอามาเอาสาธุพร้อมกันเขาจะไปสร้างโบสเอาสาธุ นี่ทหารเกณฑ์เอ๊ะทำไมขามันเดี่ยงๆงี้วะฮะกระดูกไม่ดีก็ไปนั่งเฝ้าโบสถ์กันแล้วกันไอแม่ตะเคียนน่อ้างไม่ได้แล้วอ่ต้องไปละโอ้หแม่ไมเยอะเลยนะไม่สนสนแม่ตะเคียนอย่างเดียวว่างเอาละอ้อ้วนมึง อ้วนหายใจฮะว่างโอ้โหอ้วนรอดว่ะเอาแล้วลูกศิษย์พระการกูอยากดูลูกศิษย์พรกการหน่อยพัดโดนแล้วกูว่าวา่างไอเปียกว่ามึงขุนพลเปียกไปรับสมัครเป็นเจ้าวาดวอ่ะว่างเอาองค์ต่อไป <c oughs> เอาว่างจะดูบริวารพระการหน่อยพระเตเลขหนึ่งเอาลุกมาลุกมาลุกม า, กมาเอาสาธุพร้อมกันสาธุเออเออนี่บริวารโอ้โหพระการโชคดีไปพระเตขยัน ฮะเอานี่เบอร์อะไรเบอร์สีเอาสาธุเอาวัดป่าโดนแล้ววัดป่าโดนสองรูปแล้ววัดป่าสามเลยอี่คราวนี้วัดป่าไม่มีพระละมึงว่างเอาพระเสริมจะบ่กคุ้นโดนเท่าไห ว่างเอาโอ้โหวัดป่าสามเลยเว้ยเฮ้ยว่างเอาเอาว่างเอาว่างว่างโอ้โหเอาลุงพี่ปั๊บว่างเขียดแล้ว เอาเขียดแล้ววางก็ไปวาง้าไปเอาวางรอดไปเหลือให้ข้างล่างแล้วมึงเอาวางเอาแล้วมึ ง, อาา ง, อมงไอหิมมึงได้ไปสร้างกุศลลูกเดี๋ยวลูกพ่อก็ไปไอหิมรอดแล้วเอา ลุงตาเลี้ยงหมูมึงอดเขาเนี้ยหมูอดเขาเนี้ยโอ้มีการเลือกด้วยเว้อว่ า, วางหลวงตาวา่างเอาหลวงพี่ลวงพี่มือสั่นอย่างนี้เลยเว้ยเบอร์สามอ้าวมาลูก ลุกมาลุกมาลุกมาเบอร์สมอ่าเบอร์สามเหลืออีกองหนึ่งข้างล่างมึงเดินลงไปเลยให้มันจับไป ห, หมดข้างล่างอยู่ตรงไหนฮะซีองเหรอเออไอข้างล่างหลอดเววัดป่าตั้งสามองวัดป่ามีกี่องวัดไหน สิบเจ็ดรูปไปสามเหลือเท่าไหร่ไปสามเหลือสิบสี่โอเอาหัวแรงไปเลยพะเตหหัวเลี้ยวหัวแรงวัดป่า ด, ด้วยขาดพระเตหน่ากลัวไก่งานไม่เดินไม่ได้มั้งสัตว์จะก็ต้องเป็นสัตว์จะใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดมึงเปลี่ยนเดี๋ยวไอ้ครั้งหน้าเทพขั้นเทพนี่บอกกูก็เปลียนบ้างว่าไง ไอ้องไท้ายมีปัญหาอะไรไ้มไปโน่นมีไม้มลูกไม่อยากไปควยถอก <laughs> มึงไม่อยากไปทำไมมึงไม่จับเบอร์ไายไม่จับมตกลงกันแล้วเอาไงดีไปสร้างโบสฮะอ๋อมึงอยากไปมึงเปลี่ย น, นใครอ๋อมึงอยู่กับกูต้องเท ป, ปูล น, นะไม่รอดหรอก เปลี่ยนไหมเอาเปลี่ยนมึงมาแทนเอาใครอยากไปอีกใครสมัครไปอีกเอา <Yeah. S 1> หิมมาเปลี่ยนไอ้เตะมึงเปลี่ยนไอ้ฮิมไหมเอาไหมเออเอาเปล่าเอาไหมาเอ า, มาไม้เต้สละสิ์เอ้ยอยางนี้ดีกว่าไว้มันอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเนาะมึงอยากไปไหมฮะอยากอยู่กับควายควายเป็นเมียมึ ง, ง่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาควายไปส่งถึงวัดเลยไอ้ที่ยนรรักควายกูซะแล้ววายกูชักไม่ไว้วางใจแล้วมึงน้องดูนะดีรักจริงเลยอี้หานนมันตรเมียด้วยอะตัวผู้เหรอไอ้นั่นเต็มใจไปไหมหอ่ะเต็มใจโอ้โ ห, หนายแน่มาก ไอเตะกับสององค์เนี่ยอเอาใครอจับฉลากเอามาเบอร์หนึ่งค้โดนอีกก็คงไม่โอ้ยมึงรักควายไว้ก็ว่าไอเตมันโหเรียวกว่าแรงเอาอย่างงี้ตัดสินเลยมึงลองไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมั่งดีไหมลูกบุญชายชื่อไอแผน ตัดกระเจีย๊ยงลักควายกูแล้วกูจะให้แต่งงานดีไหม <c oughs> มึงอยู่ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลี้ยงแต่จิวจูงควายทั้งวันควายกินหญ้าไปผิดต้นไม้ก็ไอ้นี่ก็หลับทั้งวันมึงนั่นแหละไปสร้างโบสถ์สภาพมึงจะได้ดีกว่าเขาเข้าใจไหม <c oughs> ไปนะ้ะไปสร้างโบสถ์เดี๋ยวไปเจอแม่ไม้สวยๆก็มึงก็จะไม่กลับวัดกูอีกเอา้เอา ไ, ไปด้วยใช่ไหม อะลุกไปสององมึงไม่สร้างกุศลเอาไปมาสององนี่พักกูลุกผู้ชายชื่อไอ้แผนจริงไปวางแผนล่อชาวบ้านเขาไม่ได้นะอ่าได้และสีออะส่องค์าสี่องคล้วนแต่หนุ่มชะกันนั้งนั้นมานี่ใครไปกูให้กระตุดคนละดอก กระตุกกูทำเองเลยกับมือขังไม่ขังเรื่องกูอยังไงแม่ตะเคียนเห็นกระตุกกูเลยร้องวีทเลยใกล้คลอดแหละหนึ่งสองสามสี่ชื่อพระอะไรพระเต่าชื่อจริงมึงไม่มีหรอชื่ออะไรเล่าขน ม, มือไอ้พี่เลี้ยงมึงนี่ไม่สอนชื่ออะไรพระอะไรชื่อจริง ทนายวั์โอ้ฉายากูเลยอยเฮียฉายาอะไรฮะฮาน า, าออนริโยฮะฮันโนเบะชะปินโตโ อ, อ๋อเอ้าองค์ต่อไปฮะมาม่าทัมโมอะไรวะฉายาใครคนตั้งวะเนี่ย ฮะสิริจันโธษคุณนึกอดได้ยินว่ามาม่าทมโมไอ้หาเอ้โอ้ขอโทษขอโทษโหไม่ค่อยดีคุณนึกว่าใครวันพี่เลนตั้งมาม่าทมโมองท์ทยฮะพระชาติสวรรค์พระชาติศ ร, รีสวัสดิ์ สีสวรรค์ทำไมชื่อมึงยาวจังวะอ๋อมึงบอกนามสกุลด้วยกูบอกเอามึงไม่มีนามสกุลและอิคุยทอกมึงพระชาตินามสกุ ล, ละอะไรตะกะพุงโลฮะปิยะธมโมปัทโธเอ้ยได้ยินว่าตะกะพุงโลเออ สี่องค์นับว่าเป็นพระที่มีบุญลูกนะมีบุญเพราะว่าไปสร้างโบสถ์ลูกเขากาลังทำโบสถ์โบสถ์เขาก็ยังไม่เสร็จแล้วก็เขาก็จะกาลังยกช่อฟ้าแล้วก็ปูพื้นเหมือนกันเราไปเนี่ยเราให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นพระนะลูกเราก็ต้องทำตัวเหมาะสมนะเราไปอยู่กับพี่เราลูกพักการพี่เราน้องเราพอรับกรถินแล้ว เราก็กลับบ้านเราถ้าไม่กลับก็อยู่โน่นก็ได้ก็ไม่ว่าหลวงพ่อก็จะไปเนี่ยเดี๋ยวก็สัตหะก็ไปไปเยี่ยมเดี๋ยวให้ทิปเลยคนละหนึ่งพันบาทแล้วหลังจากนั้นเลิกกันกร <c oughs> <c oughs> ะถือว่าจบสิ้นแล้วอกร ะ, ะตุดหนึ่งดอกดดอกันแม่ตะเคียนคลอดออยากได้ไหมกระตุดลุก ยังไงก็ได้เดี๋ยวกูไม่ให้นะําลีลาเดี๋ยวให้ตะเคียนล่อตูดแม่งเลยเฮียทำเป็นลูกเล่นไอ้องสองเอ้าปาก็ตูดเมจีนาทํากับมือเลยนะ่ะเดี๋ยวเอาของเมชีฝนชีนาคิดว่าองค์ไหนขังเนี่ยเอาของไปเลยแมตตะเคียนลงทั้งวันละมึงสี่องค์พรุ่งนี้ออกเดินทางกี่โมงดี เพราะไปถึงพรุ่งนี้มันไปถึงนดเจ็ดชั่วโมงอ่ะก็ออกชันเช้าแล้วดีไหมเนาะ no? คืนนี้ก็ภาวนาให้ดีนะไม่ใช่เอาทีวีเอาอะไรตอนไลไปมีทรัพย์สมบัติอะไรมั่งมีไม่ลูกมีโทรศัพท์ขาดไม่ได้คือโทรศัพท์มีทีวีมีอะไรไหมบาทมีไม่ลูก ดูแล้วไอ้นั่นห่วงโทรศัพท์แต่ไม่มีบาทพระหาแลวไม่มีบาทเอาบาทกระชีบอชุดคองเราเนี่ยไปนะลูกและเราก็จะรักกันจนวันตายเพราะว่าเป็นผู้เสียสละที่พัดพลากจากพี่จากน้องเราแต่ก็ไปอยู่วัดเหมือนกันแต่วัดเขาขังนะแมแต่เคียนท้องโยะเลย ก็ตัวใครตัวมันลวกันจะว่าถ้ามึงกลัวเลยกูยังกลัวเลยได้ข่าวว่ามันจะใกล้คลอดด้วยพอมึงไปสีองค์ก็พอดีแหละนะตกตงตับนี้พิ่งนี้เช้าจะให้รถหลวงพ่อไปเลยนั่งรถหลวลงพ่อไปคนละหนึ่งพันบาทาจ่ายติปเอาไว้ดื่มโอฮิชิ ข้างทางาลงปั๊มเป็นซื้อลงปั๊มเป็นซื้อเพราะว่าต่อไปมึงก็อดอมึงสมบูรณ์ตั้งแต่เดินทางกันแล้วกัน <c oughs> ก็เต็มใจนะลูกเต็มใจนะไอหิมเต็มใจป่ะอ่าอ่านี่ทหารกล้าเมื่อคืนฝันอะไรไหมลูก ไม่ฝันฝันอะไรมะไม่ฝันน ะ, ะถ้าฝันร้ายว่าใครใครบีบคออะไรที่มาเข้าสิงต้องบอกกูนะกูจะได้หลบก่อนอตรงลงตามนี้นะสี่องค์พรุ่งนี้เ ช, ช้าฉันเชา้านับว่าเป็นมื้อสุดท้ายถ้าเป็นมวยเ็าเรียกย้ายสุดทก ยกสุดท้ายและรับทิปหนึ่งพันบาทกินตลอดทางเลยแล้วก็กระตุดคนละดอกกระตุนีนดอกเป็นแสนนะเว้ยแต่มึงไปอยู่โน่นแสนสาหัสคุ้มกับกระตุดกูหน่อยอแล้วหาซื้อก็ไม่ได้ด้วยกระตุกกูอ่ากาจมมวนได้เตะพระไปหลายองค์เลยกู ถ้ามึงได้อีดอกที่บูแล้วก็มึงเห้ยลุมประชาทันทั้งหมู่บ้านรับรองว่าไม่เป็นไรแน่จมธรณีเท่านั้นเองเ <c oughs> ยี่ยมมากอ้าวพวกเราอนุมโมทนากับเขาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสาธุเออเขาสาธุแล้วถ้าเป็นพระไม่ดีแล้วมึงเงย้ยไปไม่ยากกับลูกไปอยู่ที่โ น, น่นอยู่บ้านลุงพ่อนะ แล้วก็ญาติโยมเขาดูแลดีแล้วคิดดูว่าพักการก็ชะเง้อแล้วร้องไห้แล้วอ่ะบอกจะส่งพี่ส่งน้องมาเราไม่เห็นมีพี่น้องโผ่เลยก็เลยว่าอืทำยังไงดีเนาะไปให้ครบองค์สงไปสี่องพักการโดยเป็นห้าองที่โน้นหก เป็นเท่าไรหกกับห้าเป็นเท่าไรสิบเอ็ดอีกแล้วสงสัยหวยออกหนึ่งหนึ่งว่ะทำไมออกแสดงว่าตัวตอ ต, ต, ตัวเนหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะเสี่ยงเอากันแล้วกันถ้าอดก็ส่งข่าวมาเดี๋ยวจะเหลาคันเบ็ดไว้ปักเบ็ดวันนี้คงไม่เทศแล้ว คัดเลือกทหารเอกไปสี่องค์แล้วหัวเลาะกันไปแล้วเทีนไปเทศลงนอโยมเนาะเดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ทำบุญทำบุญตอนเพลนน่าจะทำเช้าดีไหมทำเต้าวันหน่อยเนาะพรุ่งนี้9ก้าโมงึทำบุญเลยฉลองทหารเอกสี่องค์ด้วยแล้วก็จะได้แห่เทียนไวๆเพราะว่า ไปถึงสามวัด น, นะก็เข้าใจตามนี้คืนนี้ไปทําใจนะลูกนะถ้าอย่างไงห้ามเปลี่ยนใจหนีคืนนี้ไม่ได้นะห น, นีไอ้อ้วนมึงอยู่ยามดด น, นไว้ไหนวะนะห น, นีเมื่อไหร่ละไอ้อ้วนมึงต้องไปแทนไหนวันยอมลงได้แล้วเนาะลูกพ่อ อย่าว่าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะก่อนทำบุญจะเทศให้ฟังวันนี้มันเป็นเรื่องขบขันของทหารเอกไปแล้วได้บุญตั้งแต่แรกไปหน่อยแล้พวพรุ่งนี้เช้าออกกี่โมงดีลูกออกกี่โมงอะอ่ะฉัะนเช้าแล้วก็ออกเดินเนาะไปถึงนึ่งโน้นเย็นพอดี เดี๋ยวใครโทร บ, บอกพกกระกันด้วยว่าอย่าเพิ่งปราวนาเข้าวันษานะรอพระสี่รูปแล้วไม่เกินเจ็ดปวันแน่นอนหลวงพ่อไปหาะนะถ้าได้ข่าวว่าตะเคียนคงตะเคียนเข้าส่งข่าวมานะกูจะได้ไม่ไป <c oughs> กูก็กลัวเหมือนกันนี่มนกับพร ะ, ะมนกับพระ อะลาหังสัมมาสัมพุทโธ佛คกวะภูตัง佛法กวัตต์อะพิวาเตมิกราบสวากาโต佛คกวัตตััมโมธรรมนัมมัสสามิกราบ สุปฏิปันโนภกวาโตสาวกสังโกสังกงังนามามิกราเมน่าชื่นใจพระที่สมัครไปเนาะชื่นใจโมทนากระมึงจริงจริงเพราะว่าถือว่าตั้งใจไปจริงๆริงพวกนี้รับกระตุดแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์ เมึงเก็บมึงกูไว้ดีนะเออถ้ามึงจะขายมาขายต่อกูนะออมึงถามในวัดเนี่ยมีใครได้บ้างมีใครได้บ้างอ่ะมีไหมอ่ะใครมีไหมถ้ามีกูจะได้ขอไงแสดงว่ามันรักของกูไปกูหวงมากกระตดกกูอ่ะเอ้าไปนีมนุ์พักผ่อนอันทีเดียวก็พอลุกทีเดียวก็พอ เราอยู่ร่วมกันต้องรักกันดุดดังพี่และน้องเราก็จะรักพวกเองเนี่ยเหมือนลูกของลุงพ่ออไม่เอาเปรียบกันโอ้มันแน่ไว้มันสมัครไปมีทหารสมัครไปสามจับเบอร์หนึ่งอีกสองถอยไอเสือถอยอ ไอ้นั่นรักควายกูเดี๋ยวพรุ่งนี้กูดูถ้าทไมดูแลควายกูให้ดีมึงโดนแน่อาพระใหม่มานี่พระที่จะไปกูมาลีเห็นใจมารับจ๊อบเลยมารับทิปอ่าพระใหม่สี่องค์ที่ที่ไปพิจิตรนะ่ อ, อ่อาอันที่สงเอาอาัสานะมาเอาใครจะถวายสี่องค์มาเลยเป็นพะที่เสียสวะไปจะไปซื้อมาม่าแดกเขาล่ะ อ, อ่า อ, อ่าไอ้บึงเลียงแถวหน้ากระดานได้อิทเออทนี่มันใช่ทหารหรือเปล่าไว้เนี่ยอ่าเอานั่งเกียร์มาเอามาทางนี้ที่อิทวางนี้องค์หนึ่ง อ, อ่า เอานั่งสี่องค์ไอ้องค์ไปนะอ่ะมาอ่ะยมจะถวายโอ้โหลูงนี้กูไปสักก็ดีเว้ยเฮ้ยดูแลตังค์เยอะจังเลยเว้ยเอารับองค์เดียวแล้วแบ่งสี่อ่าอ่านุบอทนาด้วยจับจับสองมือลูกเอโอ้โหกูสมัครไปดีกว่าไว้แบ่งพันเต็มที่เลยเว้ยยิ่งก็โอฮิตชิอีก เ, เว้ยเฮ้ยได้เยอะด้วยเว้ย งั้นกูไม่ให้แล้วพันนึงอะ่ะโอ้โหอันนี้สงเกิดเลยเห็นไหมอันนี้สงเกิดเลยเห็นไหมเอาไอ้ลังนับมาเป็นปึกเลยเอาไปสองร้อยอนนี้สงเกิดเลยเห็นไหมออโอ้โ ห, โโหไว้กูสมัครไปอีกองได้ไหมเนี่ย โอ้โหเยอะจังรวยอดีศงเกิดอ่อาไอ้มเก็บตังค์มาเร้วเดี๋ยวมันเอาคืนเก็บตังค์เนี่ยอหลุงพี่จับผ้าไว้หลุงพี่จับผ้าไว้อ่สองมือจับไว้อ่าอ่าเอาเก็บมาเอาถุงมาแล้วไปหานสีให้เท่ากันด้วยเฮ้ยให้พระการด้วยอ่าให้เจ้า ว, วาดมึงด้วยอ่ โอ้โหอันดีสองแบะบานเลยไว้เฮ้ยรูปนี้กูไปตั้งแต่วันแรกสักดีไอนหายได้เยอะเลยไว้เฮ้ยอ่โอ้โหรีบประคองเันโอโ้ไม่จรบอกโชคดีกูให้ร้อยมึงไปเลยนะอ่าไม่ใช่มาเลี่ยไรนะิยมนะอ่อตั้งใจให้มันไปจากวัดนี้ใช่ไหม <laughs> โอ้โห oh อันนี้สงเกิดเลยทั้งสี่องค์มึงดูเอ้ย <Yeah. S 1> เด็กเล็กตัวเล็กตั ว, ตวน้อยมากับหมดเห็นไหมถ้ามึงไปแล้วมึงไม่สร้างโบสถ์มึงเอ้ยมึงสร้างนี่สร้างศีลแล้วมึง <c> เ <oughs> <c oughs> นา ะ, ะห้าองค์พี่น้องมึงอาไปแบ่งกันอเอามาเดี๋ยวลุงพี่แกเล่นตัวไม่รับนะ โอ้โห oh เอาใครถวายแล้วออกได้เดินออกเสยลูกหลบก่อนหาที่นั่งก่อนอาจมีรอบสอง <c oughs> อล้วนแต่เอาคนแข็งแรงไปทั้งนั้นเลยเนี่ยเทปูดไปใหญ่บานตะเกะเลยใบใหญ่ลยุยหิมไปนะมึงเอ้ยร้องไห้แน่นอนเลยมันน่าไปตั้งนานแล้ว <c oughs> โอ้โหอันดีสงมากคนไปสร้างโบสอยู่กลางนาเลยโยมอยู่กลางนาเลยพาดท่าก็ลงเบ็ดแหละเดี๋ยวกูจะเขียนประวัติไว้จับเบอร์มีทหารสมัครไปสามจับเบอร์หนึ่งถอนตัวไปสองห่วงควายอืม โชคดีแลวไปสร้างโบสถ์เนี่ยจีฟฝนอยู่ไหมเนี่ยบอกพวงนี้เบิกเงินหนึ่งแสนบาทเงินวัดเอาไปให้เจ้าวาดวัดลำชะล่ากูไม่มีตังค์แหละวออเดี๋ยวเบิกในบัญชีหลวงพอ่อบอกชีหมูก็ได้ที่ชีฝนก็ให้ไว้ บอกให้เบิกหนึ่งแสนบาทเพราะว่าไปแต่ละวัดก็ให้วัดละแสนทั้งนั้นเลยเอาไปให้พรกการใช้ส่วนตัวจะได้ไม่ไปเลี่ยายใครพ อ, อยังโอ้โห و, ยังเข้าแถวไว้อานิสงเฮ้ยเฮ้ยมึงเปลี่ยนกะกูนกะวะกู <laughs> ชักอยากไปแล้ววะโอ้โหอนุมโมทนาด้วย ที่มันให้ตังบึงเนี่ยเพราะว่ามันอยากให้มึงไปจากวัดนี้โอ้โหช่างมันก็ทำบุญด้วยเอา้าเราเอาใส่ลุงพี่ไปสร้างบุญให้เราเนาะโอ้โหลุงอี้ก็ไป้วยใจเย็นหิมรอให้โยมเขาวางก่อนที่โยมยังไม่ทันวางเลยป๊อปว้า เออย่อยยมก็วางก่อนอ่าเอาเก็บได้แล้วเดี๋ยวมันเอาคืนแหมเขายังไม่ทันวางแล้วฟอปปอบเล ย, ยใหญ่เห็นได้ว่าเราอยากได้นะกลับให้ดีลุงพี่จับไพ่ดีเออเขาทำด้วยใจเลยนะ อ, อนี่มึงหารกันสี่องค์เดี๋ยวอีกแสนหนึ่งปากอาพระกากูให้ตังหากแสนหนึ่ง พอใครไปเป็นเจ้าวัดให้วัดละแสนไปสามวัดสามแสนอีกวัดสี่แสนถ้าสิบองค์มาเลยกูหนีละล้านนึงอ่ะกูไม่เอาด้วยแหละอ่าหมดแล้วหมดแล้วเอาลุกได้แล้วอ่าไล่หิมไปนับแล้วแบ่งหารสี่เอไปท <c oughs> หารเกณฑ์โอ้โหดูเรียบร้อยมากเลยได้ตังค์วันนี้ ทุกทีกูก็มันก็ไม่ไหววันนี้กราบเลยไว้เลยเอาแล้ววะคืนนี้นอนไม่ใช่เช้าหนีไม่ได้นะเว้ยได้ตังค์แล้วได้ตั๋วผ่านทางแล้วเช้ามาก็บอกมันไปแล้วสี่องค์ไม่งอ้อลูงพ่อแล้วโอ้พักกูน่ารักเนาะสมัครไปสามวัดป่าโดนไปหนึ่ง ฮะเฮ้ยกูไม่ได้ไปนะเว้ยฮะมาไม่ทันโอ้ยคนจะได้ตังค์เนาะดูเนี่ยไอ้สี่องค์ไม่ได้อานิสง์โดยเป็นปึกเลยโอ้บุญนี่มันไม่เท่ากันจริงเว้ยโน้ลังเนาะมหลังจะไปด้วยไงโอ้ลังกะว่าล่อกระตุดแล้วไปเลยแล้วก็หวนกลับหามเมียเลยกูว่า ฮ่าฮ <laughs> <laughs>